พระนางเขมาพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันส่งปรารบพระนางเขมาอ克拉เมเหศีพระเจ้าพิมพิสารดังได้สะดับมาพระนางเขมาซึ่งเป็นพระกนิตฐาของพระเจ้าประสเสนทิโกศลมีพระรูปงดงามน่าเลื่อมใสทราบว่าพระศัสดาตรัสติโทษแห่งรูป พระนางไม่ปรารถนาจะไปยังสำนักของพระศาสดาในยะดุดเดียวกันกับพระนางรูปนันธาพระราชาทราบความที่พระนางมัวเมาในรูปจึงตรัสสั่งให้นักกวีแต่งเพลงขับพันนาพระเวรุวันพระนางฟังบ่อยๆทรงอยากทอดพระเนตรอุทยานพระเวรุวันพระศาสดาทรงทราบถึงการเสด็จมาของพระนาง ประทับนางแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทจึงทรงนิรมิตหญิงรูปงามยืนถือพัดก้านตาลพัดอยู่ข้างพระองค์เรื่องนี้มีนัยยะดุจเดียวกันกับที่ทรงแสดงให้แก่พระนางรูปนันธาฝ่ายพระนางเขมาเทวีทอดพระเนตรดูหญิงนั้นนั่นแหละจึงดมริว่ารูปแม้เห็นปานนี้ก็ถึงความสิ้นความเสื่อมไปโดยครู่เดียวเท่านั้น จากปฐมมวัยเหลือเพียงกระดูกในที่สุดสาระในรูปไม่มีเลยจริงๆพระศาสดาทรงตรัสพระคาถาว่าเขมาเธอจงดูร่างกายอันอาดูนไม่สะอาดเนา่าไหลออกทั้งข้างบนทั้งข้างล่างอันคนพาลปรารถนายิ่งนักในการจบเทศนาพระนางดำรงอยู่ในโซดาปฏิผล ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระนางว่าเขมาสัตว์เหล่านี้เยิมอยู่ด้วยราคะเป็นผู้อนันราคะย้อมแล้วร้อนอยู่ด้วยโทสะอันโทสะประทุษร้ายแล้วงวงงวยอยู่ด้วยโมหะจึงไม่อาจก้าวล่วงกระแสตัณหาของตนไปได้ต้องติดข้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นนั่นเองดังนี้แล้วทรงตรัสพระคถาว่า สัตว์ผู้กำหนดแล้วด้วยราคาย่อมตกไปสู่กระแสตัญหาเหมือนมแมลงมุมตกไปยังใยที่ตัวชักไว้ฉนั้นที่ระชนผู้รู้ทั้งหลายตัดกระแสนั้นแล้วเป็นผู้หมดห่วงใยละเว้นทุกทั้งปวงไปอธิบายคำว่าตกไปสู่กระแสตัญหาเพราะเหตุที่ตัวทำไว้เอง เขาไม่อาจข้ามกระแสะแห่งตันหานั้นไปได้กระแสะตันหาอันบุคคลล่วงได้โดยยากดุดมแมลงมุมชักใหญทำไขยคือใหญ่เป็นเยื่อใหญ่แลนอนอยู่รอจับมแมลงที่มาติดที่ริมใหญ่ก็วิ่งไปสูบกินรสของมันแล้วกลับมานอนรอคอยอยู่ที่เดิมอย่างนั้นผู้กําหนัดแล้วด้วยราคะโกรธแล้วด้วยโทสะ ลุ่มหลงเมามัวแล้วด้วยโมหะย่อมตกไปสู่กระแสของตัณหาล่วงได้โดยยากคำว่าตัดกระแสคือตัดเครื่องผูกเป็นผู้หมดห่วงใย ห, หมดเยื่อใยไม่มีอะไรไม่อะไรด้วยอารหัตมรคยานย่อมตัดกระแสได้ละทุกทั้งปวงได้ ในการจบเทศนาพระนางดำรงอยู่ในอรหัตพระราชาโปรโดให้พระนางบวช ด, ด้วยไม่หวังการป ร, รินิพานของพระนางคือธรรมดาคารวาทถ้าบรรลุอรหันต์แล้วถ้าไม่บวชในเจ็ดวันต้องตายนะครับพระนางบวชแล้วเป็นสาวิกาผู้เลิศในทางมีปัญญามากดังนี้แหละคำว่าตัดกระแส พึงตัดที่ผัสสะกระทบทวารทั้งหลายคุมผัสสะให้ได้ดับเวทนาให้ได้เป็นสักไหวเห็นได้ยินยอมดับไปยอมหมดเยื่อใย ห, หมดอะไรไม่อะไรในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้น